ขอความผาสุกความสวัสดิ์ความเจริญในธรรมจงๆ มากมายเป็นที่หน้าอนุโมทนาสาธุการชีวิตของเราถ้าปราศจากความดีถ้าไม่ได้สร้างความ ความแต่ความดีมันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําดีไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ แต่ความดีน่ะให้ผลเป็นสุขเป็นสุขนะ อย่างพระพุทธองค์ตรัสไว้ในคัมภี โศกเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีสุขฝายไปโลกหน้าสดชื่นรื่นอุราดีอันนี้ก็เป็นคติธรรมมี ว่าชีวิตของเราจะมีประโยชน์มีค่ามี มาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับ โทสะโมหะเครื่องรึงรัดจิตใจคนที่เคารพ ยะเด็จเสด็จดับขันธะปรินิพพานหน่าน จะเสด็จไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราๆเช่นสาวัตถีโกสัมพี เพราะพุทธเจ้าจึงได้ตรัสห้ามพระอานนท์ มีเขตปกครองขันธสีมา 7 ประการเป็นราชธานี 12 โยชน์ 7 โยชน์ เมืองกุสาวดีนั้นเป็นราชธานีพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยเสียง 10 ประการนี่พระ มีได้สงบทั้งกลางวันและกลางคืนเลยได้สงบก็มีเหตุผลก็ต้องสงบนิ่งวันและกลางคืนเลยเธออย่าได้ดูถูก จึงได้ตราดให้พระอานนท์เข้าไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่เจ้ามันละกัสสทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายบัด พวกเจ้ามัลละกษัตริย์ทั้งหลายทราบข่าว ประชาชนคนทั้งหลายมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในครั้งนั้นมีปาริพาชกท่านหนึ่งชื่อ จึงใคร่ที่จะถามปัญหาที่ตนสงสัยสงสัยมานานด้วย ทรงลำบากด้วยอาพาธอันเกิดแต่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสห้ามสุภัททะสุภานนท์บอกว่าอานนท์เธออย่าได้ห้ามสุภัททะเลยสุภัททะจะเข้ามาถามปัญหาที่ตนสงสัยแล้วก็จะได้คลายความสงสัยอย่าได้ห้ามเธอเลยพระเมื่อคือ คณอาจารย์ทั้ง 6 ก็คือครูทั้ง 6 มีปูรณกัสสปะมคขลิโกศาล เวลาน้อยเต็มทนแล้วน้อยเต็มทนแล้วสุปทะพระพุทธองค์จึงได้ตรัส แกสุปัฏฐะปริภาชกว่าดูก่อนสุปัฏฐะรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกในศาสนา 1 สมณะที่แล 2 และสมณะที่ 3 ที่ คนที่จะบรรลุธรรมนอกจากพระพุทธศาสนานี้ไม่มีและบุคคลที่ปฏิบัติ แกสุพัตถะปริภาชกว่าสุพัตถะใน 8 อยู่ตราบใด สนทนาปัญหาธรรมนั้นเอง ว่าบุคคลผู้เป็นลัทธิต่างศาสนา 4 เดือนจึง 4 เดือนเลย 4 ปีก็รอ ได้บรรลุธรรมแล้วท่านบอกว่าเป็น ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้กล่าบ คือวิธีอยู่กรรม 4 เดือนอย่างถ้าญาติโยมทั้งหลายเดินๆจะมา ต้องมากรผมนุ่งขาวห่มขาวประพฤติตนอยู่ในเดือนเมื่ออดทนกระทําตามมารยาท บวชไป 3 วัน 7 วันศึกออกไปๆนะคือคนที่จะบวดในสมัยโบราณอัตมาก็โบราณสักนิดหนึ่งที่จะบวชใน 3 เดือนท่องหนังสือนั่ง แต่พระสุภัททะเนี่ยท่านเป็นบุคคล เพราะพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสเรียกพระอานนท์ให้เป็นผู้รับแสดงธรรมประธาน ทรงประทานโอวาทแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่า ปัจจิมโอวาทเหมือนกันที่พระองค์ พระองค์จึงได้ตรัสว่าภิกษุผู้มีอายุพันสามมากคือบวชมานาน นะธรรมเนียมการเรียกไม่ 30 พรรษาแต่อายุน้อยแต่คน 2 พรรษาก็ยังเป็นผู้อ่อนอยู่นั่นเองนะเป็นข้อ ออกบวชแล้วเวลาพระพุทธองค์ยังทรงพระชนจะสามารถว่ากล่าวแนะนําพร่ําสอนตักเตือนได้ แต่เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายก็แบกเมกันไม่พูดไม่แสดง โทษที่การลงพรหมจรรย์ให้หมดไปพรหมจรรย์ก็คือลงคือลงโทษแบบพรหมพรหม เริ่มปฏิบัติไม่ช้าไม่นานทั้งก็ได้สําเร็จเป็น บัญญัติไว้ณเป็นการไม่สมควรว่าภิกษุรูป แต่ภิกษุทั้งหลายครั้งเพราะพระแต 500 รูปล้วนแต่ ประชุมสงฆ์มาประธานพุทธโอวาทเป็นครั้งสุดท้าย ท่านทั้งหลายจงยังจิต แล้วเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วพระ สภาวะองค์ฌานนั้นโดยความเป็นพระไตรลักษณ์ว่านามธรรม แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาล้วนแล้วเนี่ยผลสมาบัติ เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปที่ท่านเรียกชื่อว่ายุกขนันธวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแบบเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันคือแล้วก็มาพิจารณาองค์ฌานนั้นได้ ตั้งแต่ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วก็มาพิจารณาองค์ฌานโดยความเป็นพระไตรลักษณ์เมื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าทุติยฌานดังนี้เรื่อยไปทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายนะฌานวิญญาณัญจายนะฌานอาคิญจัญญายนะฌาน สัญญายตนะฌานเวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยทั้งจิตเจตสิกและจิตตชรูปเนี่ย ด้านคัมภีพระอภิธรรมสัญญาเวทยิตนิโรธท่านเรียกว่า พอสมควรแล้วพระองค์ก็ออก เข้าเนวะสัญญาออกจากเนวะสัญญาก็เข้าอากินออกจากอา แล้วก็เข้าทุติยฌานถึงตติยฌาน ทรงทําการเข้าอนุบุพพวิหารนั้นก็ แผ่นดินใหญ่ที่ทรงไว้ซึ่งถูกเขาแต่ว่าบุคคลคือพระมหาสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาดี ที่ยังมีกิเลสอาสวะก็พากันร้องแล้วดอกไม้ต่างๆจะเป็นดอกสาระดอกไม้สาระเนี่ยญาติ คือเป็นไม้หลังไม่ใช่สาระลังกาถ้าสาระลังกาเป็น ที่ดอกออกผลร่วงหล่นนอกฤดู บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วหน้าไม่มีเหลือในโลกมีเหลือในโลกล้วนจะทอดทิ้ง แล้วยังมิถาวรมั่นคงดำรงอยู่คือท้าวสักกะเทวราชก็ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่ยั่งยืน ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระโลกะนาถผู้ไม่ ความพ้นแห่งกิเลสได้ดีแล้วก็หนึ่งประทีปอันไพโรจน์ 4 ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอัน ความมหัศจรรย์อันสุดหยด ก็เด่นชัดที่มีก็คือพระอานนท์เถระกับเป็นปริพาชก พระมหากัสสปะได้เดินทางมาระหว่างทางปริพาชกได้เอาดอกมนทารบดอกไม้สวรรค์ ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ก็ เมื่อเป็นเช่นนี้มีภิกษุผู้ชื่อว่าสุภัททะบวชเมื่อแก่ผูก พอพระมหากัสสปะได้ฟังเช่นนั้นก็บอก เดินทางมาถึงเป็น 8 หรือเป็น 8 ค่ําวัน 8 ค่ําเป็นวันอัฐมีบูชาวัดต่างๆ ญาติโยมก็ทํากันนะอยู่ใกล้วัดไหนก็ทํากันที่อาตมาอยู่วัดที่อยู่ก็ หลังจากพระมหากัสสปเถระพาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ไฟจึงไม่สามารถทําให้ติดได้ บอกว่าหม่อมฉันมีบุญน้อยไม่ไม่ได้ปฏิบัติ บรมมศพของพระองค์แล้วแล้วหันหลังกลับเท่านั้น พระบรมสารีริกธาตุนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะน่าศึกษากันเหมือนกันนะ ฉะนั้นเมื่อพระองค์นิพพาน 7 ส่วนด้วยกัน 1 พระอุนทิศ 2 พระ 4 ก็เป็นเท่าไหร่ 1, 1 คิ้วแก้วทั้ง 4 ก็ 5 พลักอีก 2 ก็ 7 นอกนั้นแตกเท่าเข้าสารหักเท่าเม็ดเอ่องาแตกเข้าสารแตกก็จะกระจายมากมายฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเท่านี้นอกนั้นไม่มีเหลืออะไรฉะนั้นถ้าการเชิญเสด็จพระบรมมาทาตนี้ถ้า ปรารถนาจะอาราธนาพระบรมธาตุเสด็จไปอยู่ที่อยู่ ภพตศาสนาล่วงแล้ว 5,000 ปีเมื่อๆจะรวม 7 วันให้เทวดาและ 7 วันพวก ก็เป็นอันเสื่อมสิ้นสุดลงในการเขตอัน แต่ๆเช่นโกศลสาวัตถีราชคฤปัตตนะ พวกเมืองต่างๆทราบข่าวปรินิพพานแล้วก็ประสงค์อยากจะได้พระบรมธาตุเอาๆที่ 3 เมืองกบิลพัสดุเมืองอลักกปะ 5 เมืองลามคามหรือเมืองโกศิยวงศ์ 6 เมืองเวทถทีปกะ ท้าวสักกะเทวราชเห็นว่าโทณพามนี้จะเอาพระบรมธาตุอันเป็นของสูงขอ ขอร้องกษัตริย์เมืองต่างๆว่าอะ เมืองเวสาลียังปรากฏอยู่ญาติโยมเช่นบาดจีวรเตียงตั่ง คิดถึงพระพุทธเจ้าสร้างองค์พระอย 4 อย่าง 1 ธาตุเจดีย์ 2 บริโภคเจดีย์คือเจดีย์ คือเจดีย์ที่บรรจุตำรับตํารา 4 ก็คืออุทเทศิกะเจดีย์ที่บรรจุที่กระทําขึ้นเช่นทําเป็นพระพุทธรูปที่พวกเรา มาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาถึงวันนี้ก็จบพอดีญาติโยกก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจตั้งใจฟังกันมาบางทีในอาตมาเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหมือนกับว่าเราเดินเกิด การบูชาพระพุทธเจ้า 8 ค่ําหลังจากวันวิสาขะบูชาเรา จงปรากฏมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญผล